พระธรรมเทศนาลำดับที่สิบเอ็ดโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าดอกบัวสีเหลาวันนี้เป็นวันที่ส1เอเมษายนพุทธศักราช2554ห้าอห้าสิบสีอีกวันสองวันข้างหน้า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 ถ้าจะว่าไปแต่ยิ่งค้าบแคบกว่าเราแต่ท่านเข้าสมาธิท่านเข้าใจของท่านท่านไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างองค์ก็ต่างอยู่ในมุมสงบของใครของเรามันก็สงบได้แต่ถ้าว่าถึงจะอยู่ ใ, ใกล้ขนาดไหนก็เถอะเดินไปพูดไปคุยกันคุยคุยกันทั้งวีทั้งวันเรื่องสัพเพเหระอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านสอนให้อยู่ในความสงบแต่ที่แรกกับว่าทาท่าต้องการความสงบพอสงบไปสงบมากับว่าเวงอะว่าเวอ้ว า, วงอางว้างเงียบเหงาก็ชอบไปหาเรื่องออกไปข้างนอกส่งไปข้างนอกไปคุยเถอะฮะมันอย่างนั้นนะกิเลสเพราะฉะนั้นพวกเราให้รู้นะต้นตอของกิเลสมันเป็นยังไงให้พวกเรารู้ว่ากิเลสมันชอบไปอย่างนั้นนะ เพราะนั้นเราจะพยายามดักมันยังไงให้อยู่ในความสงบบังคับให้มันอยู่ในความสงบดูซิมันจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรอบางคนก็แก้ลาคาญพอเข้าไปแล้วกันนั่นก็เกาะแก๊ก ะ, ก ะ, ก ะ, กะเดินนั่นเดินนี้จับนั่นยิบนี้เอานังสือมาดูมาอ่านอจากนั่นก่อนะทำกุกกิก ก, กเพื่อแก้ลาคาญยิ่งแก้แ่อะไรก็ยิ่งลาคาญ จะดูสิว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะพยายามดูใจของตนเองนั่งสมาธิดูใจเดินโยกลมดูใจบังคับให้มันอยู่กับสมาธิอยู่ตลอดเป็นอย่างไรอันนี้พวกเราได้คิดหรือหรือไม่ถ้าว่าเราปล่อยตามอารมณ์ของตนเองมันจะไม่มีที่สิ้นสุดนะไม่มีที่สิ้นสุดตามเท่าไหร่ก็ยิ่งเลาะแหละไปเรื่อย เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเข้ามาคราวนี้เข้ามาปรประพฤติปฏิบัติธรรมมาตั้งใจภาวนามารักษาศีลมารักษาศีลมาภาวนาแล้วก็มาปฏิบัติสมาธิปัญญาปัญญาวิปัสสนาขอให้พวกเราทุกๆท่าน เรื่องทางโลกเราก็เรียนรู้โลกวัฏสงสารก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเขามาวันนี้พวกคณะสัยาญาติโยมเขาก็ทำได้เพียงเพียงเท่านั้นก็นัวดีในระดับหนึ่งดีกว่าผู้ที่ไม่สนใจเช่เลยพอเข้ามาแล้วก็เอาเราพยายามแนะนำธรรมธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้เขาได้ฟังได้ศึกษา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 บางเรื่องบางอย่างจิตใจเมื่อจะได้หวนกลับมาสมัยเมื่อครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเป็นอย่างไรเนบางคนก่อนอย่างนั้นก็มีแต่บางคนก็ไปเลยไม่ลำเลกถึงเชลเลยถึงจะมีทุกข์ยังไงก็ไม่ได้สนอย่างนั้นมันก็มีอัน น, นันบางคนท่านยังเปรียบเทียบกับคู่คน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 มันน่าคิดเหมือนกันนะพ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยเลี้ยงได้แต่ร่างกายส่วนจิตใจมันเลี้ยงไม่ได้แต่แนะนําสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนะลูกนะมีจริยธรรมมีจริยธรรมที่ดีนะลูกนะโดยมากผู้ไม่มีอุปนิสัยเก่าแก่จริงๆมันจะไม่ยอมฟังอแต่ว่าจะปล่อยปล่านั่นเลยทีเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องใช้ กุสโลบายและหลายอย่างที่จะแนะนำสั่งสอนให้เขาให้เขาเป็นคนดีอย่างในครั้งพุทธกาลลูกชายของท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีอันนี้อนาถาวิดกติ ก, กเศรษฐีนี่ก็เป็นพุทธอุปถาพระพุทธเจ้านางวิสาขานี่คือเป็นอุ ป, อ ป, อปถาฝ่ายผู้หญิง อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ดูแลเรื่องน้ำปานะเรื่องอาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างพระมาทางไกลพระจะเดินพระจะเดินทางไกลต้องไปฉันในโรงทานของนางวิสาขานางวิสาขาเลี้ยงพระร 100, แ, แต่ละวันเป็นร้อยเป็นพันมากแน่นเป็นหมดแต่ละวันอาณาถามิดีกว่าเศรษฐีก็เช่นเดียวกัน ที่ชื้อวัดป่าเชตะวันมหาวิหารเนี่ยนะเนี่ยอาณาถาเิติกาเนี่ยเป็นผู้ซื้อสร้างถวายพระพุทธเจา้าวัดป่าเชตะวันที่พระพุทธเจ้าจำารรษามากที่สุดในศาสนาของพระพุทธเจา้าพระองค์จำพรรษามากกว่าทุกวัดมากกว่าทุกแห่งนี่แหละอันนี้ก็คือ แต่นี่ลูกชายของอนาถาวิติกาเศรษฐีเนี่ยก็มีหลายคนแต่คนหนึ่งเน่เป็นเด็กหนุ่มอายุกับกำลังคึกขนองสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดปีแต่พ่อพาไปวัดพาเลี้ยงพระทำบุญทำทานหันหลังให้ตลอดไม่ได้สนใจพ่อเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงให้เข า, าหมดความคิดความอ่านเลยกับลูกชายคนนี้ มันไม่ไปตามพ่อต้องการพ่อก็นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์งมาบ้านเป็นร้อยเป็ดพันแต่ละวันเด็กคน้เฉยไม่ได้สนใจมีแต่เที่ยวมีแต่เล่นสนุกสนานเพลิดเพลินยังเบื่ออีกต่างหากอนณาถามม่ดีกาเศรษฐีเอถ้าเราจะปล่อยไปมันก็ไปตกนรกหมกไหมเราก็เป็นสัมมาทิฏฐิ เราก็นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงฆ์ตระกูลของเราก็ทั้งตระกูลเราจะปล่อยให้ลูกของเราไปในทางชั่วช้าเสียหายตกนรกหมกใหมอย่างนี้มันสมควรหรือมันไม่สมควรนะเราจะแก้ไขเราจะทำยังไงนะอาณาถาบิดิกะเศรษฐีท่านก็หาวิธีที่จะสอนแนะนำลูกของท่านเลี้ยงร่างกายก็เลี้ยงได้ แต่ว่าจะแนะนาสั่งสอนทางด้านจิตใจให้เป็นสัมมาทิฏฐินี่ยไม่รู้จะสอนอยังไงเพราะมันไม่เอามันไม่ยอมฟังอาตอนนี้อาณาถามาดิกาเสียทีก็เอาเงินเท่านั้นเพราะมันมันชอบเด็กกำลังชอบเที่ยวชอบเล่นใช่อชอบเงินอนาณาถาบมดิกาเอาเงินจ้างเลูลกลูกลู ก, ลกไปให้ไปรักษาศีล น, นะ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 นอนได้ครบวันแล้วก็กลับมากับเมาขอเงินพ่อแต่เช้าเลยพ่อพ่อผมกลับมาแล้วนะขอเงินพ่อก็ต้องเตรียมให้วันไหนก็เอาพ่อพ่อครับเงินครับเอาเอาให้แต่นี้ก็ถามว่าลูกเวลาไปนอนที่วัดนะ่ะไปรักษาศีลไปนอนที่วัดนะ่ะไปทํำยังไงครับผมไปถึงแล้วผมก็หาที่พักพอ น, นอนนะ่ะ อยู่ที่วัดก็ไม่ได้ทําอะไรพอให้รักษาศีลก็รักษาศีลไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ขโมยทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกรรมไม่ทานอาหารอีกต่างหากถือศีลอุโบสถพอได้เวลาผมก็กลับออกมาเนี่ยแหละครับอืมเอาบัตรนี้เอาใหม่นะลูกนะให้ไปฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเนะี่ยกลางคืนเน่ยเวลาท่านเทศนากลางคืน่ตอนหัวค่าท่านเทศ มนุ์เทพพระสงฆ์น่ะอไม่ต้องไปนอนนะทีนี้นะให้ไปนั่งฟังถ้าจําคําของพระพุทธเจ้าได้คํานึ่งจําได้คำหนึ่งมาบอกให้พ่อฟังอธิบายให้พ่อฟังว่าเออพระพุทธเจ้าเทศอย่างนี้คือเนี้ยพ่อจะให้พันกระหาปณ ะ, ะอีกเท่าตัว เ, เจ้าชายหนุม่มไอ้ภาษาไดกเพียงคําเดียวใช่ไหม ข้าไปฟังก็ได้เป็นรายไปได้อีกพันไออีกห้าร้อยเป็นพันกะหาปณะเอาที่ไหนเทนี้ชายหนุ่มคนนั้นก็ลูกอนาถาเมติกาเศรษฐีกับไปก็านั่งฟังอะบ้าเข้าไปใลปพระพโโทธโอเกษรอบรมพระสงฆ์ศรัทธาญาติโยมภิกษุนีพุทธบริษัทธสี่นั่งเพียบแต่ชายหนุ่มคนนี้ก็ไปนั่งอยู่ แอบอยู่ทางด้านหลังก็พยายามนั่งจดจำพระพุทธองค์เทศเรื่องศีลสมาธิปัญญาพิจารณาจนถึงหลุดพ้นอ้ชายหนุม่มคนนี้ก็พยายามนั่งฟังเพื่อจะได้จำเอาบาดพระคาถาหนึ่งว่างั้นพอนั่งฟังเสร็จแล้วเฮอจจำได้ละบาดพอกลับไปนั่งนานกัจจำได้ละกลับไป พอกลับไปมันลืมซะเลยพอลืมเสร็จแล้วไม่ได้กลับมานั่งฟังอีกเพื่อให้เข้าใจฟังฟังฟังฟังเข้าใจพอเข้าใจแล้วจําจได้แล้วบาทกลับไปกลับมาเป็นลืมไอีกทำไมจึงลืมเพราะพระพุทธเจ้าบันดาลให้ลืมพระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์นะทีนี้นะคือเห็นชายหนุ่มคนนี้เข้ามาในพยานเขามี เขาจะได้สำเร็จพระโสดาบันอยู่แต่กิเลสภายในใจของเขานะปิดบังแต่ต้องใช้อิเทธิ์ให้เขาเข้าใจในธรรมแต่นี้นเขาก็กลับไปไประลืมเองบรรดาให้ลืมกลับมาฟังเองนั่งใจฟังเถนี่ให้มันเข้าใจพอตั้งใจฟังเท่านั้นแหละท่านี่พระพุทธองค์ก็เรียงลำดับให้ฟังเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาจะตลอดถึง วิมุตต์หลุดพ้นเขาก็ฟังฟังฟังฟั ง, ฟงติดตามเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเขาได้สําเร็จพระโสดาบันในคืนนั้นพอได้สําเร็จพระโสดาบันทีนี่ก็โอ้เราเนี่ยถ้าหาว่าไม่ได้พ่อที่ดีนะเราจะตกไปที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าเราไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเราจะไปนรกหลุมไหนอีกก็ไม่รู้โอ้เราทําไม แต่ลาบอันประเสริฐถึงขนาดนี้ได้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพ่อก็เป็นพูดแสนจะเมตตาใจดีทั้งที่ท่านจะดุดาว่ากาวท่านก็ยังว่าจ้างให้เราเข้ามาหาศีลหาธรรมอีกพ่อของเราโอ้มีเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งพ่อของเราเนี่ยและเลิกถึงบุญคุณของพ่อแล้วกยนะและเลิก ถ, เล ก, เลเลกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้า เป็นผู้ให้ตัวเองได้จนได้สำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาบันจากนั้นก็อนพอสว่างขึ้นมาทั้งที่จะเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนะรีบกลับมามาขอเงินพ่อแบมือขอเงินพ่อพ่อพ่อ พ, พ่ขอเงินพ่อก็ต้องเอาถุงให้เลยแต่มาคราวนี้รับบาทของพระพุทธเจ้าเดินตามหลังมาได้เลขึ้นมาบ้านอนาณาธามิติาเศฐี เดินตามหลังพร้อมหลังพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์เดินตามหลังพระองค์มาที่บ้านพอมาที่บ้านเสร็จแล้วจัดการจัดแจงเรื่องที่พักพาใสเรื่องน้าเรื่องท่าไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมีพอมาถึงแล้วก็แบบเงินแบมบมือของเงินแล้วก็หายเงบแต่วันนั้นพอกลับมาแล้วจัดแจงที่พักน้า อาสนะอะไรจัดพ่อบอกว่าลูกๆเอานะักเงินอยู่ที่นั่นนะไหม่ๆให ม, ม่พ่อพ่อใหม่ๆยังยังพ่อแตยังไม่เอาพ่อยังยังผัวที่สุดผู้พ่อนะี่ยก็เป็นห่วงเอ๊ะทำไมลูกของเราเนี่ยน้อยอกน้อยใจยอย่างไรเนาะวันนี้ทำไมจึงไม่เอาเงินผู้พ่อคิดหนักแต่ทำไมตะกอนมัน มันไม่เหมือนเนี่ยแต่วันนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็พ่ออีกเตือนอีกอลูกเตรียมไว้แล้วนะพ่อพ่อเตรียมไว้แล้วนะลูกนะเงินนะแอนอยู่ในนั้นในถุงนั่นนะไปเอาเลยนะพันกระหาปณะนะไม่ละครับพ่อจนถึงครั้งที่สามพระพุทธองค์ก็บอกว่าอนานถาเป็นติกะเศรษฐีลูกของท่านเนี่ยได้เป็นไดอาริยทรัพแล้ว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 อย่าไปให้อย่าไปหนักใจเกี่ยวกับเขาอีกแล้วนะอาณาถาเป็นทีกะเศรษฐีสาธุสาธุสาธุนะเนี่ยแหละอยากจะให้ลูกได้ดีท่านคิดถึงขนาดนั้นละ่ะไม่มีใครลนะ่ะอยากจะให้ลูกตัวเองจิบหายวายปวงอยากจะให้ลูกตัวเองเป็นคนดีทางนั้นท่านคณะเป็นลูกคณะมหาเศรษฐีท่านก็บอกว่าไม่เอา พอพอไม่อายอีกต่างหากว่างั้นะคือละอายตนที่ตัวเองทำมาจะเข้าวก่อนพอมาถึงแล้วก็ยังไม่ได้เท่าไหร่แบมือของเงินจากพอ่อพอนึกย้อนหลังโอ้โหพ่อเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งที่ว่าจ้างให้เราเป็นรักษาศีลในวัดจากนั้นจ้างว่าเราให้เราไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพ่อเนี่ยฉลาดจริงๆให้เราไปฟังเทศเพื่อเป็นแนวความคิด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 ถ้าไปไม่ถูกที่ถูกทางเสียหายาถ้าเสียหายขึ้นมาละใครเป็นคนรับตัวเองนะเป็นคนรับทุกเป็นอนันตการไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ ย, ยังดีเกิดมาพบเปรบพบบัณฑิตนักปราชญ์ได้พบพ่อที่เป็นธรรมแล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้เทศนาว่าการให้ฟังก็ได้สาเร็จมรรคสาเร็จผล นี่แหละอันนี้แปลวาเป็นผู้โชคดีปฏิรูประเทสวาโซจะเกิดในประเทศอันสมควรปุเพจขะขตะปุญญาตารือคงได้ทำได้ทาคุณงามความดีไว้ในปางก่อนอัตตะสมาปณิธิให้ตั้งตนไว้ชอบอัตตะสมาปณิธิเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเป็นนิยานิธรรมเรานำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์มาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลจะเป็นเรื่องทานก็ดีจะเป็นเรื่องศีลก็ดีจะเป็นเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องมรรคเรื่องผลพระพธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าทุกคาที่ท่านตรัสเอาไว้ล้วนแล้วจะเป็นเหตุเป็นผลในในนั้นเสร็จ ในเมื่อเราเห็นว่าทมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลถูกต้องแล้วเราก็ตั้งอัตตสมาปนิธิคือตั้งตนไว้ชอบประกอบคุณงามความดีเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนปฏิบัติตนเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีนี่แหละอันนี้ก็คือแปลว่าผู้ไม่เสียเที่ยวเสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา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 พอไปตามความอยากเท่านั้นแหละมันก็ตกต่ําไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยชาตินี้ก็ตกต่ําำพอออกจากภพนี้ชาตินี้ไปก็ยิ่งตกต่าไปเรื่อยๆกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้จะมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกไม่ใช่ของง่ายเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเกิดมาพบในชาตินี้ที่พบพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเป็นผู้โชคดีอย่างมากๆนะหลวงพ่อเห็นไหม อตัวอย่างอย่างหลวงพอ่อหลวงพ่อภูมิใจอย่างมากคิดขึ้นมาเมื่อไรหลวงพ่อภูมิใจตัวเองเกิดมาในชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสน า, ศาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นก็นได้บวชในพระพุทธศาสน า, ศาเป็นห่วงทางโลกไหมไม่อภาคภูมิใจอย่างมากอีกต่างหากเราไม่ได้เสียดายเพราะทางโลกของเขาก็มีอะไร อมีคอบมีครัวมีเงินคํามีเงินคําทรัพย์สมบัติมียศถาบรรดาศักด์ผลที่สุดก็ต้องแบมือด้วยกันเอาอะไรไปได้เอาอะไรไปด้วยเอาอะไรไปด้วยได้ไม่ได้สักอย่างทิ้งทั้งหมดเพราะนั้นเราจะไปสอบแสวงหาให้ทุกทำใหม่ทาไมเราจะไม่สอบแสวงหาธรรมไม่แสวงหาธรรมเข้าสู่จิตใจเอาแสวงหาธรรมไม่ตายหรือหลวงพอ่อตายตายเหมือนกันแต่ตายกับ ตายทางโลกกัตายทางธรรมมันต่างกันนะตายทางโลกใใคล้ายๆมันรู้เท่ารู้ทันรู้สิ่งต่างๆไม่เกิดเพิ่อมไม่สะทกไม่สะทานไม่หวัน่นไม่ไหวแต่ว่าตายแบบที่ว่าไม่ได้ไม่มีธรรมอยู่ในใจมันเกิดเสือกกระสนถึงความตายจะเข้ามาถึงแล้วนะมันเป็นทุกข์เร่าร้อนทางด้านจิตใจพ่อหาหลักยึดไม่ได้มันทุกข์มากๆเลย เพราะใจเพราะใจของเราไม่มีหลักเพราะนั้นพวกเราได้มาพบมาเจอพระธรรมคำสอนแล้วให้ตั้ง อ, อกตั้งใจการภาวนาทำยังไงหลวงพ่อก็ได้บอกให้นั่งกัดสมาธิอย่างพระประธานขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายก่อนที่จะนั่งสมาธิปน ม, มือขึ้นระหว่างอกซะก่อน ไหว้ครูสก่อนพุโทโธธรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงเอามือลงแล้วแผ่เมตตาซะก่อนอย่างว่าแผ่เมตตาเนี่ยใช้อหังสุกิโตโหมินิทุโขโมิอเวโรโหมิโรสเพสตาตดาห้วนตุมันยาวเกินไปในขณะที่เราจะนั่งภาวนาเราใช้คาบริกรรมในใจว่า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 แต่ถึงยังไงเรามีความพยายามมีความตั้งใจมั่นอยู่อีกสักวันหนึ่งครั้งนึงอย่างน้อยเราก็เห็นว่าเออใจของเราเรานั่งใจของเราออกกว่าแสดงว่ารู้จักเข้าใจออกก็แสดงว่ามีมันมีสติอยู่ในในระดับหนึ่งแล้วถ้าว่าแต่ก่อนเราไม่เคยคิดจะเลยมันออกอยังไงมันเข้ายัางไงเราไม่ได้สนใจแสดงว่าเราไม่ได้สนใจเราไม่มีสติแต่บัดนี้เรารู้แล้วว่ามันออกมันออกบ่อย มันออกอยังไงนี่เราก็เห็นมันจิตของเราปุ่งฟุงออกไปข้างนอกโอ้มันปุ่งฟุ้งขนาดนี้เลยใจเนี่ยแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นแต่บัดนี้เรามากำหนดแลเรารู้เลยแล้วสมาธิของเราเหรือว่าจิตของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันออกไปขนาดนี้ลรอเนี่ยนี่แหละมันจะเริ่มเห็นแล้วไงจากนั้นก็เริ่มเห็นก็พยายามให้มันอยู่ใกล้ขึ้นไปเรื่อยๆบริกรรมพุโทโธพุโทโธเถิไม่ให้สำคับไม่ให้มันออก เออตะก่ อ, อพุโทโธลมหายใจเข้าพุโทโธลมหายใจออกมันยังห่างอยู่เอาบวิกรรมพุโทโธที่แต่อย่าไปเกรงอย่าไปกึงนะให้มันเป็นธรรมชาติเปรียบว่าตั้งสติให้เข้มแข็งท่านเยงพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธให้มันอยู่กับพุโทโธนะเป็นยังไงนี่แหละมีวิธีการหลายวิธีที่พวกเราจะทําจิตใจให้สงบหรืออย่างหนึ่งก็อีกที่หลวงพ่อเคยพูดแนะนําก็คือกําหนดลมหายใจเข้านับหนึ่ง เวลาหายใจออกนับสองนับถึงร้อยถ้าถ้ามันจะจะหลุดออกไปมันจะเบอเบอ ร, บอร์ใช่ไหมหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขคี่ใหมันผิดแต่ผิดจังหวะแต่ไม่จริงหายใจเข้ามันเป็นเลขคี่หายใจออกมันเป็นเลขคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไล่ไปเลืจอยถึงถึงร้อยแต่ในท่าว่ามันจะหลุดมันก็เบอร์เบอร์ เวลาหายใจเข้าออเป็นยี่สิบสองหายใจออกเป็นยี่สิบสามนะแสดงว่ามันผิดที่ผิดทางอานี่แหละเราสังเกตได้ถ้ามันเผลอบ่อยๆเผลอบ่อยเข้าบ่อยเข้าไม่ใช่ผลดีนะไม่เป็นผลดีนะอะาทำไมทำไมาจึงไม่ว่าผลดีเพราะมันขาดสติบ่อยๆนับไปถึงเท่าไหร่สองสามกันขาดไปละ เพลิดเพลมันจะขาดตลอดไปกรุดลุ่ยไปตลอดถ้ามันขาดขนาดนี้เป็นยังไงเดี๋ยวก็ผมก็ยาวๆพายของพลุงพลังอยู่ข้างถนนแล้วเลพราะมันขาดสติมากฮะเพราะนั้นการขาดสติไม่ไม่เป็นผลดีเยเสื้อขาดผ้าขาดฮะสติขาดมันจะดีได้ยังไงเงินขาดตบัตดเงินขาดบาดขาดเต่งมันก็ไม่ดีถ้าขาดสติแล้วเป็นยังไงฮะมันไม่ดีทางนั้นนะมันขาดนะ เราขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพยายามภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธให้จริงให้จังฝึกหัดให้เข้มแข็งจากนั้นเมื่อเราจิตใจของเรารวมเป็นสมาธิดีแล้วยังค่อยว่ากันเรื่องวิปัสสนาหรือจะพิจารณาทางวิปัสสนาเลยก็ยังได้นต้องให้รู้จากวิธีสก่อนึกศึกษาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องศึกษาทั้งนั้นแหละไม่มีใครที่จะสยามภูรู้แจ้ง โลกแต่พระพุทธเจ้าเองท่านออกไปศึกษาท่านก็นยังไปศึกษาคณดาบทหยุดเข้าไปสู่สำนักดาบททั้งสองทั้งสองดาบทจากนั้นท่านก็กลับมาอีกมาภาวนาของท่านอีกนี่แหละลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดตั้งหกปีพระพุทธองค์จึงได้ตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่แหละพวกเราจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเหรอปรับ ป, ปับก็ามารวบลัดตัดตอน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 ได้สำเร็จเป็นพระรหารแล้วเพราะเหตุไหนดูประวัติของท่านสิท่นี่โอ้ไม่ใช่ธรรมดาท่านบมเพ็ญมาเท่าไหร่ก่อนที่ท่านจะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเพราะนั้นพวกเราก็ไม่มีใครที่จะรู้เหมือนกันอนะในอนดีตชาติพวกเราทำอะไรไปบ้างแต่ยังไงกนะ็เถอะนะจะมากหรือจะน้อยก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องฝึกฝนจะต้องประพฤติปฏิบัติไม่มีใครทาแทนเราได้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 สงการอย่างที่พวกที่ผมได้พูดไว้น่นะมันเป็นเรื่องที่จะทำยังไงเราอยู่ในโลกสมมุติเราก็ต้องปฏิบัติตามโลกสมมติพอสมควรแต่ก็ไม่ให้มันหนักหนาสาหัดจนเกินไปจะทายังไงได้เราอยู่กับผู้คนต้องพรห น, นักผ่อนเบาทำไม่รู้จักพรห น, นักพ่อนเบามันก็ยากเหมือนกันนะ ไปที่ไหนมือเข้าใครไม่ได้อีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องรู้จาั ก, การาเทะบุคคลการสถานที่บุคลคลควรจะทำอย่างไรจรึงจะถูกต้องเหมาะสมอันะตอนนี้ไปนั่งสมาธินะตีนี้นะ